พิสูจน์ศพคุณสุธิชัยชินสุวะพลาคุณภัยบูรณธรรมซึ่งอยู่ที่บ้านเลขที่133ทับสถนนวิสุทธรริักริย์กรุงเทพมหานครเป็นเพื่อนสนิทกับคุณสุธิชัยชินสุวะพลา ซึ่งได้ตกเครื่องบินถึงแก่กรรมที่เวียดนามใต้เมื่อไม่นานมานี้คุณภัยบูลเป็นคนไปรับเอาศพมาและก่อนที่จะรับมาทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เก็บศพก็ได้แสดงหลักฐานต่างๆซึ่งทำให้คุณภัยบูลแน่ใจว่าเป็นศพของคุณสุทธิชัยจริงแต่เนื่องจากสภาพของร่างกายเท่าที่เหลืออยู่ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ทำให้ฝ่ายครอบครัวและญาติพี่น้องแน่ใจว่า เป็นศพของคุณสุดที่ชัยเพราะหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งมานั้นบอกแต่สิ่งของต่างๆซึ่งค้นได้ในศพของผู้ตายเช่นสมุดประจําตัวกระเป๋าสตางค์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงเกิดปัญหาว่าจะเป็นศพของคุณสุดที่ชัยจริงหรือไม่ในฐานะที่คุณภัยบูลได้รู้จักกับข้าพเจ้ามานาน จึงได้มาถามถึงเรื่องนี้เพื่อว่าทางนี้จะมีข้อพิสูจน์อะไรบ้างเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบเช่นนี้แล้วจึงได้ปรึกษาเรื่องนี้กับพ่อฤาษีว่าจะมีทางรู้ได้หรือไม่โดยอาศัยสมาธิด้วยการเพ่งดูจากศพท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็จะลองดู เพราะฉะนั้นในวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2515จึงนัดให้คุณไพบูลมารับไปที่วัดพลัดลาชายัยซึ่งเป็นที่เก็บศพของคุณสุธิชัยในขณะนั้นเมื่อไปถึงที่นั่นซึ่งเป็นเวลา18นาฬิกาเศษจึงได้ทำการพิสูจน์โดยไม่ได้เปิดศพดูแต่ก็ให้คุณสีเพนนั่งอยู่ใกล้ๆกับหีบที่บรรจุศพแล้วก็ให้เข้าสมาธิไปหาพ่อฤาษี พ่อฤาษีก็ได้บอกให้คุณศรีเพนอธิษฐานจิตถึงคุณสุทธิชัยหลังจากเข้าสมาธิไปประมาณสนาทีก็ปรากฏว่าคุณศรีเพนสะดุ้งทั้งตัวและมีอาการเหมือนกับจะมีวิญญาณมาเข้าทรงแต่แล้วก็ไม่เข้าทั้งนี้เพราะพ่อฤาษีได้คอยป้องกันเอาไว้แล้วมิให้มีการเข้าทรงเพราะเกรงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในขณะที่คุณสีเพนสะดุ้งทั้งตัวนั้นทุกคนซึ่งอยู่ในที่นั้นมีอยู่ห้าคนรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยต่างก็ได้เห็นปรากฏการนี้ทุกคนเมื่อคุณสีเพนออกมาจากสมาธิแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเข้าสมาธิไปพบพ่อฤาษีแล้วท่านก็ได้สั่งให้ทำเหมือนดังที่กล่าวมาและเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วข้าพเจ้าได้ซักถามท่านว่า ในตอนที่คุณศีเพนอยู่กับท่านนั้นท่านได้เห็นอะไรบ้างพ่อฤาษีได้เล่าให้ฟังว่าท่านเองเป็นคนอธิษฐานจิตว่าถ้าศพนี้เป็นของคุณสุทธิชัยจริงก็ขอให้วิญญาณของคุณสุธิชัยมาปรากฏท่านบอกว่าพออธิษฐานเสร็จก็ได้เห็นแสงพุ่งมาจากคุณสุทธิชัยตรงมายังร่างของคุณสีเพนเพราะเหตุนี้ คุณสีเพนจึงได้มีอาการสะดุง้งและถ้าหากไม่รีบปลุกให้ตื่นจากสมาธิวิญญาณของคุณสุธิชัยก็จะมาเข้าทรงจริงๆแต่จะปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะอันตรายมีมาก จากเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังนี้ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสงสัยหลายอย่างโดยเฉพาะก็คือได้เรียนถามท่านอีกว่าถ้าสมมติว่าเราไปเพ่งสรากศพเพื่อที่จะค้นหาวิญญาณของเจ้าของศพแต่บอกชื่อผิดจะมีอาการเกิดขึ้นอย่างนี้หรือไม่ท่านบอกว่าไม่มีแน่ต่อเมื่อชื่อที่เราอาธิษฐานตรงกับศพจึงจะมีปฏิกิริยาออกมา ทั้งนี้ก็เพราะว่าโดยธรรมดาคนที่ตายในลักษณะอย่างนี้ซึ่งเป็นการตายโดยกระทันหันความรักความผูกพันความยึดถือเป็นเจ้าของที่มีต่อร่างกายของตัวนั้นมีมากที่สุดและถ้าหากไม่มีสาเหตุอื่นที่ทำให้ตัวเองต้องไปอยู่ในที่อื่นคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายวิญญาณของเขาหรือถ้าจะพูดให้ถูกก็คือคนที่ตาย ซึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ในสภาพเป็นโอปปาติกะนั้นจะวนเวียนอยู่กับซากศพของตัวและด้วยเหตุนี้เองคนที่ตายด้วยอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายจึงมักจะมีเรื่องเล่าในทํานองว่ามีคนเห็นวิญญาณของคนที่ตายวนเวียนอยู่แถวนั้น พิสูจน์ในเรื่องนี้นับว่าเป็นงานชิ้นใหม่ที่เพิ่งจะกระทําเป็นครั้งแรกจะผิดหรือถูกแค่ไหนจะต้องอาศัยการค้นคว้าต่อไปอีกจะต้องมีประสบการณ์มากกว่านี้เพียงแค่รายเดียวและทําโดยวิธีดังที่กล่าวมายังไม่พอที่จะทําให้คนทั้งหลายเชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นทางที่ดีจะต้องมีการเปรียบเทียบกับรายอื่นๆจนกว่าจะได้หลักฐานแน่นอนว่า ในกรณีที่เราไม่ทราบว่าเป็นศพของใครนั้นเมื่อต้องการจะรู้เราก็ใช้วิธีเพ่งอธิษฐานจิตจากศพซึ่งถ้าหากชื่อกับศพเป็นคนเดียวกันแล้วเป็นต้องมีปฏิกิริยาทุกครั้งและเห็นแสงพุ่งมายังผู้ที่ตัวเป็นสื่อในการเข้าทรงซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแสงนั้นมาจากคนที่เป็นเจ้าของซากศพหรือไม่เช่นนั้นก็เห็นเจ้าของมาปรากฏให้เห็นที่ศพของเขา ถ้าทำได้เช่นนี้ก็นับว่าเราได้ค้นพบวิธีการใหม่ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการที่จะติดตามหาบุคคลที่เป็นเจ้าของวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาได้ใช้มานานอันหนึ่งในหนังสือเรื่องการติดต่อวิญญาณโดยเอสเทลโลเบิร์ต ก็มีการกล่าวถึงเรื่องในธำนองคล้ายคลึงกันนี้กล่าวคือถ้าของหายแต่ต่อมาภายหลังเราได้ของนั้นคืนมาแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาไปผู้ที่มีความชำนาญในการแตะต้องสิ่งของเมื่อเอามือไปจับแล้วเข้าสมาธิอธิษฐานก็จะรู้ได้โดยไม่ยากว่าใครเป็นคนเอาไปเพราะพลังของจิตของคนที่มาจับต้องสิ่งของนั้นยังคงมีอยู่ที่วัตถุนั้น เพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะทราบได้ว่าใครเป็นคนเอาไปแต่เรื่องนี้เพียงแต่อ่านพบในหนังสือยังไม่เคยทดลองเพราะฉะนั้นจึงยังไม่ทราบแน่ว่าจะเป็นไปได้จริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ดีต่อมาคืนวันที่15กรกฎาคมคุณภัยบุญธรรมก็ได้โทรศัพท์มาบอกว่า วันนี้ทางโรงพยาบาลตำรวจได้เอาศพไปทำการพิสูจน์อีกครั้งคราวเนี้ยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าเป็นศพของคุณสุทธิชัยจริงเป็นอนุว่าการพิสูจน์โดยวิธีทางสมาธิก็ใช้ได้เหมือนกัน